เราเนี่ยจมอยู่กับไอ้เรื่องทุกข์เรื่องกังวลนั้นน่ะโอ้โหมันเลวร้ายยังไงจมอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ปวดหัวทุกข์อย่างนั้นนะหรือว่าหวงและทุกข์กังวลก็โอ้โหบางคนนี่ห่วงมากทุกข์มากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนจะบ้าเอาอย่างเงี้ยประสาทเสียบางทีประสาทเสี ย, ส เ, สยเครียดนะห่วงมากๆทุกข์มากๆเครียด ไปอะไรอ่ะไปเล่นงานคนรอบข้างเลยนะเหมือนกับหมาบ้าใครเข้าใกล้ไม่ได้โอ้โหไล่งับไล่เหา่านะนั่นแหละให้รู้เลยว่าว่าให้เห็นดูสิเนี่ยเยจะแยกอยู่แล้วเนี่ยถ้าใครเห็นทุกเห็นโทษภัยอย่างนี้ได้เนี่ยนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับเห็นแหมโอโเอาเนื้อสัตว์เอาหนังสัตว์เอากระดูสัตว์แหมเอามาตกแต่งร่างกายดูสิ คิดว่ามันสวยงามเหรอที่ไหนได้โอ้โหมันเป็นสิ่งน่ารังเกียจจะตายมันเป็นสิ่งที่ไปเบียดเบียนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นสิ่งที่ไปทําเลวทําร้ายไปทําลายนะไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องทุกทรมานทําให้คนอื่นก็ต้องถึงแก่ความตาย โ, โหไปฆ่าไปแแ่หนังเข้ามาไปแแ่อไปอะไรอ่ะช้างเนี่ยไปเลื่อยงามันมาอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหมันนี่มันเป็น ความเลวร้วายเนี่ยมันเป็นความชั่วมันเป็นความทุกข์เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจคือเห็นให้ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยให้เราเปลี่ยนมุมคิดเราเปลี่ยนไม่ออกล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ให้เห็นทุกข์ให้ได้นะอันนี้คนที่จะเห็นทุกข์ได้แบบนี้เนี่ยอันนี้เข้ากระแสแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านใช้เลยว่าใช้คําว่าพิจารณาเพราะฉะนั้นวิธีที่สองทานมาถึงบอกไงเห็นไหม วิธีหนึ่งใช้แบบสมถะเปลี่ยนเรื่องคิดเลยเรื่องเก่าเลิกเอามางกบเอามาฝังมันทิ้งไปเป็นแบบสมถะแต่พอเรื่องที่สองปับ๊บแหมให้พิจารณาเห็นทุกเห็นทั่วไปอันนี้วิปัสสนาแลว้วตอนนี้วิปัสสนาเลยใช้ปัญญาพิจารณาคราวนี้ไม่ไม่ได้ไปกรบไม่ได้ไปฝังนะคราวนี้ไอ้ที่มีอยู่นั่นแหละเอามาเลยเอามาเลยดูที่เนี่ย เพราะว่าคนเราเนี่ยยังไงก็ตาม ท, ที่ทุกข์ที่ห่วงที่กังวลที่อะไรอยู่เนี่ยนะชอบหรือเปล่าไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆเรารู้นะว่าเราไม่ชอบเราอยากสบายเราอยากมีความสุขที่เราทุกข์อยู่นี่นะตัวเองเนี่ยนะจะแย่จนบางทีเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไอคนที่เราห่วงอยู่นี่นะโอ้โหมันสบายเขามันอยู่ด้วยซ้ำไปมันอาจจะ กินสูบดื่มเสพอาจะเที่ยวเล่นอยู่ได้อย่างสุขสบายเลยเหมือนกับบางทีพ่อแม่ห่วงลูกเงี้ยห่วงลูกกังวลเรื่องลูกเต้าแต่ลูกไม่รู้เรื่องอะไรบางทีนั่มันก็เล่นของมันสบายเออแต่พ่อแม่นี่ติโอโหทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกเนี่ยเพราะฉนั้นเน่ะบางทีเห็นเห็นให้ได้หลายคนนี่ก็เห็นอยู่เพิ่งได้นะนะบอกว่าโอ้หลังเนี่ยไม่มีลูกอีกแล้วพอแล้วแค่นี้ ก็ว่าเห็นนะนะแต่มันยังเห็นไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเผลอๆก็มาอีกแล้วคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ตามมาเป็นลำดับเอเพราะฉะนั้นต้องเห็นทุกข์ให้ได้จริงๆถ้าคนเห็นทุกข์ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่อยากมีลูกมากหรอกนะยิ่งเป็นโสดได้นะยิ่งไม่ต้องแต่งงานได้โอ้โหจะยิ่งเลยรู้เลยว่าแม่สบายจริงๆมันไม่ต้องไปทุกข์ แต่บางคนก็แต่งไปแล้วเงี้ยก็มีลูกลูกเต้าแล้วนะก็ต้องมาทุกข์อยู่กับลูกเต้าแตอนี้ก็ต้องให้เห็นให้ได้อีกอ่ะเห็นให้ได้วันนี้เห็นไหมเรามาทุกข์เพราะลูกเรามาห่วงมากังวลเนี่ยดูที่มันทรมานตัวเราขนาดไหนลูกไม่ใช่ทรมานนะตัวลูกไม่ใช่ทรมานแต่ตัวเราเนี่ยแหละเจ็บปวดตัวเราทรมานเพราะเราไปยึดเป็นเจ้าขาเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยมันถึงได้ทุกข์อยู่อย่างนี้ เพราฉะพอเราเห็นทุกอย่างนี้แลเออแล้วทําไมเราต้องทุกอย่างงี้ทําไมทําไมเราจะต้องมาทุกอยู่อย่างนี้เราไม่น่าต้องมาทุกอยู่อย่างงี้เลยเนี่ยใช่ไหมส่วนว่าต้องเลี้ยงดูลูกเต้าเอาก็เลี้ยงไปที่แต่ทําไมอะทําไมจะต้องมามากุม่มมาอะไรคนอื่นเขก็เยอะแยะเขาก็มีลูกเต้าอ่ะเต็มบ้านเต็มเมืองก็เยอะแยะแต่บางทีเราดูสิเออเขาก็ไม่เห็นมันต้องมาโอ้โหห่วงลูกอะไร จนเกินไปนั่นนั่นแหละคืออย่างเงี้ยเราก็เปรียบเทียบแล้วก็มองให้เห็นพอเห็นอย่างนี้ได้มันถึงจะเออเราเองเราก็ไม่ควรที่จะต้องมาทุกอย่างนี้เราก็น่าที่จะหัดวางจิตวางใจเราลงไปบ้างมันก็จะทําให้เราเบาขึ้นมานะสบายขึ้นมาแต่เวลาพูดมันก็พูดง่ายทุกทีอะนะพอเวลาจริงๆเราไปเจออะไรคุณคิดดูสิว่า ไม่ต้องไปหอบหัวงเรื่องลูกเต้าอยู่เลยบอกว่าตะหลิวกะท่าแค่นี้ยังจะอบางทีเอาไปเอาตายน <c oughs> ยังไม่ต้องพูดถึงคนเลยคุณคิดดูอก็แล้วกันแต่ทุกันเราเห็นได้ถูกไหมว่าเออมันทุกจริงๆนะเวลามันไปยึดอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดแล้วโอ้โหมันทุกจริงๆเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่เราจะถึงจะ เออวางลงได้บ้างทําไมจะต้องยึดมากขนาดนั้นด้วยจริงเราก็ยังทําดีอยู่นะเรายังคงทําดีอยู่เรายังคงต้องทําตามภาระต้องทําตามหน้าที่เราก็ยังทําแต่ทําไมเราจะต้องไปยึดให้มันทุกข์อ่ะอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเออเห็นทุกข์ใช่ไหมว่าตอนเนี้ยที่ทุกข์อยู่เนี่ยเพราะยึดเนี่ยถึงได้ทุกข์อย่างเงี้ยเพราะะฉนั้นถ้าเราเห็นทุกข์อันนี้ได้ว่า เออเราไม่อยากทุกอย่างนี้มันจะได้ลดตัวยืดยืดลงนั่นแหละแล้วมันจะได้คลายจิตลงมาเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันรักสวยรักงามเนี่ยนันจะฆ่าสาตาชีวิตมาจะเป็นอะไรนะหนังแกะหนังจระเข้หนังอะไรเงี้ยหนังเสือโอ้โหอันนั้นอันนั้นใบกวนฮะนะ <c oughs> นะอันนี้เอาเอาแค่สัตว์พอยังไม่ต้องเอาถึงคนนะนะ เออเออหนังงูอะไรพวกนี้นะโอโหปรากฏว่าพอเราเรามาคิดเรามาลู่เลยบอกโอโหไม่ไหวหรอกไออย่างนี้นี่มันมันใช้ไม่ได้เลยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่นี่มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในี่ยไอพวกเนี่ยคือพอเห็นอย่างนี้ได้วันเนี้ยมันทุกข์นี่มันมันไม่จะเป็นความสุขเลยไอที่คนไหนเนี่ยที่เคยแหม่ต้องต้องแต่งตัวอย่างงั้นต้องสวยอย่างงี้ โดยต้องใช้เสื้อผ้าหนังหนังสัตว์อย่างนี้นะไ อ, ไ อ, ไอตอนนั้นมันมีหนังฝรั่งอยู่เรื่องหนึ่งอะไรร้อยหนึ่งจุดดันเมเชียนน่ะไอที่มันจะเอาเอาหนังหมามาทำเป็นเสื้อผ้าอแล้วมันก็เลยไปจับลูกหมามาตั้งเท่าไหร่ทั้งหมดต้องร้อยเกิหนึ่งตัวใช่ไมถึงจะทาเสื้อผ้านี้ได้นั่นแหละ มันมีจริงๆพวกแฟชั่นพวกอะไรพวกบ้าๆเนี่ยบ้างนะันจริงๆแล้วเขาก็ไม่เห็นทุกนะว่าโอโ้โหมันก็ต้องไปขโมยลูกหมามาเยอะแยะนะตามที่ต่างๆเพื่อที่จะมาเนี่ยตัดเย็บเสื้อผ้าเท่านั้นเองจริงๆแล้วนั่นแหละดูสิโอโ้โหมันทุกขนาดไหนอะทุกข์มากๆเลยแต่ถ้าเนี่ยเรารู้ว่าเออทําไมเราจะต้องไปให้มันทุกอย่างนี้แหละแต่คนที่ไม่สัมมาทิฏฐิเนี่ย มันก็มองไม่เห็นทุกข์ตัวนี้แต่มันมองเห็นแต่สุขว่าโอ้โหถ้าตัดเสื้อผ้าสำเร็จใช่ไหมโอ้โหจะเป็นหนังที่เอเป็นเสื้อผ้าหนังสัตว์ที่โอ้โหสวยงามมากคือคื อ, ค, อคือจะมองเอาแต่สุขอะแต่ไอ้ทุกข์ที่ตัวเองกำลังทุกข์อยู่นี่กลับไม่มองหรือมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าดาบได้ใครยังยีงอยู่คนนั้นก็ก็ทุกข์ไปเรื่อยไม่มีทางแก้แล้วนับวันจะทุกข์มากขึ้นเพราะว่าได้อย่างนี้แล้วนะพอได้ หามาได้สมใจส่เป็นหนังสัตว์เนี่ยได้มาสมใจได้มาสะใจเดี๋ยวคุณก็ต้องเอามาอีกต้องหาใหม่มาอีกคือต้องหาซ้ําซ้อนอยู่อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะให้มีความสุขเพราะความสุขกข็ได้จากสิ่งนี้ต่อเมื่อเขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ต่งางหาคนนั้นถึงจะลดการหาลงหรือเลิกไม่เอาอย่างนี้แล้วเพราะมันหนักมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเบียดเบียนมันผิดศีลมันมันต้องไปฆ่าสาตาชีวิตคนนี้ถึงเลิก เหมือนกับคนเลิกกินเนื้อสัตว์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเนี่ยท่านเปียบท่านเปรียบเบาอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กหรอกเพราะว่าฮินดูส่วนใหญ่ก็ก็กินเหมือนมังสวิรัตอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นก็เลยไม่มาเปรียบแบบนี้แต่ในยุค ข, ของเราเนี่ยโอ้โหเราเปรียบได้เลยอย่างข้อที่สองเนี่ย เปรียบเหมือนกับคนที่กําลังกินเนื้อสัตว์อยู่นะพอมาเห็นเนี่ยว่าโอ้โหนี่มันน่าอึดอัดมันน่าระอามันน่าเกลียดชังนี่ว่าโหนี่ก็เนื้อเนื้อหมูนี่ก็เนื้อวัวนี่ก็เนี่ยท่านใช้แหน่งดูนะนี่ก็ซากงูนี่ก็ซากสุนัขหรือซากมนุษย์โอ้ยใช้คําว่าซากมนุษย์ด้วยนะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ที่เรากินอยู่เนี่ยบอกโอ้โหนี่เรากินซากศพ ของสัตว์อื่นหรือว่าของชีวิตอื่นคนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไหนรู้อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยคนนั้นก็โอ้โหเบื่อแล้วอาเกียร์ชังไม่อยากแล้วไม่อยากกินเรื่องอะไรจะเอาของที่มันโอ้โหน่ารังเกียจแบบนี้เอาใส่เข้าไปในตัวเราเพราะั้นคนนั้นเลิกกินแน่นอนเรื่องของเนื้อสัตว์แต่ถ้าตราบใดนี่นะใครยังมีจิตเก่าๆอยู่นะโอ้โหหอมหมูสเต๊ะ หอมเนื้อย่างโอ้โหหอมเป็ดย่างไก่ ย, ย่างใครเนี่ยนะยังมีทิฐิมีความคิดอย่างนี้อยู่สักวันเถอะยังมีหวังมีหวังอะไรนะนั่นแหละมีหวังกินจริงๆอ่ะมีหวังไปเอาจริงๆด้วยเพราะนั้นอันเนี้ยเ น, นี่ยต้องต้องรู้ให้ได้แล้วข้อที่สองนี่บอกแล้วว่าข้อที่สองนี่พิจารณาเลยนะ พิจารณาจนคุณเห็นจริงๆว่าอันนี้เลวอันนี้ไม่ดีแล้วเลิกใครเลิกอย่างนี้ได้คนนั้นเลิกเลิกเลิกได้จริงแต่ถ้าใครตาดายังไม่เห็นอันนี้ยังยังไม่จริงหรอกถึงบอกว่าเลิกตามหมู่ตามพวกเลิกตามพ่อแม่พี่น้องอครอบครัวเขากินกันแล้วก็กินตามเขาดูซิใครเคยอ่านประวัติของมหาธารรมคันธีตอนที่ไปอยู่อังกฤษ นะพวกเพื่อนๆ พ, พวกอะไรต่ออะไรเขาอย่างนั้นอย่างงี้โอ้โหยังจะไปลองกับเขาเลยนะไปลองกินไข่ไปลองอะไรเนะี่ยแต่พอลองเข้าไปแล้วอย่างว่าละพนะคนมีบุญบา ร, รมีเนะี่ยมึงบอกโอ้โหไม่เอาเลยเลิกเลยนั่นแหละเพราะเห็นเห็นเป็นความทุกข์เห็นเป็นความโอ้โหหน้ารังเกียจก็ไม่กินตั้งแต่นั้นอีกเลยเนี่ยแหละเนี่ยเป็นข้อที่สอง อันนี้เป็นวิธีที่จะแก้จิข้อที่สองนี่จะมาใช้ว่านะมันต้องมีการพิจารณาใช้ว่ามังกรตาวิเศษต้องมีตาวิเศษนะมันถึงจะแทงทะลุเห็นเห็นความทุกข์เห็นโทษภัยเห็นความวิตกกังวลเี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันเลวร้ายอย่างไงอันนี้จะต้องมีดวงตาวิเศษนะกระบวนท่าที่สองไปแล้วนะตอนนี้กระบวนท่าที่สาม แหมอันนี้ตั้งชื่อมังกรเข้าธรรมฟังดูก็น่าจะรู้แล้วนะนะมังกรเข้าธรรมอ่าพรเจ้าท่านบอกว่าแต่ถ้าพิจารณาโทษของความมิตรกร้อนใจนั้นแล้วความมิตรกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยจะเป็นกามจะเป็นความโกรธจะเป็นความหลงเนี่ยนะก็ยังยังเกิดขึ้นอยู่ยังจัดการไม่ออก น่าจะใช้วิธีที่สองพิจารณาทุกอะไรแล้วก็ยังแก้ไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นพึงถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจความวิตกร้อนใจนั้นเมื่อไม่นึกไม่ใส่ใจเช่นนี้อยู่ความวิตกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมละทิ้งไปเสียได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นความดีเลิศผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในภายใน เหมือนบุรุษผู้มีดวงตาไม่ต้องการเห็นรูปที่ผ่านมาเขาพึงหลับตาหรือเลี้ยวไปทางที่อื่นอันนี้ก็สมถาอีกละชัดเลยเราจะเห็นเลยไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นก็หลับตา <c oughs> นี่เลยสมถะชัดๆเลยยิ่งอันนี้เห็นชัดเอา้ามองไปทางนี้ ไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่ทั้งมองนี้หานไปทางอื่นหันเลยหันไปทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้เห็นเลยว่าดูนะอันตมาถึงบอกว่าท่านท่านให้ใช้สลับมาเรื่อยเลยตอนแรกก็ใช้แบบว่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทนนะกบฝังเรื่องนั้นทิ้งไปพออย่างที่สองพิจารณาพิจารณาไปไม่รอดอีกอย่างที่สามเข้าทาไปเลย มังกรเข้าถ้าเลยรู้สึกสูตรนี้ไอข้อที่สามรู้สึกชาวประชาจะใช้เยอะนะมังกรเข้าถ้ำเนี่แม่ใช้เยอะจริงๆเลยเ อ, อการไปนอนนี่ก็เป็นการเข้าถ้าอย่างหนึ่งนะแม่เป็นแบบคงเบ่งนี่ว่ะคงเบ่งอยู่ไอ้นั่นอนะ่ะเขาเรียกว่ามัางกรหลับมับงกรหลับอแห่งอะไรนะเขางอลังกังอะไรในชะ่ไหมใช้ยา เป็นมังกรหลับอะไรนะเอา้าก็นี่ไงนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะดับความทุกข์ความกังวล น, นั้นได้เพราะที่บางคนเนี่ยที่บอกว่ากุ้มจริงโว้ยไม่รู้จะยังไงแล้วเราก็ไปนอนเลยเนี่ยนี่แหละมังกรเข้าถ้าอย่างหนึง่งมังกรเข้าถ้าอย่างหนึง่งวิธีการนอนนี่ก็คือวิธีการเข้าถ้าอย่างนึงอย่างนีง้ก็อยู่เลยใช้ว่าะ มังกรข้าวทําหรือจะใช้มังกรหลับอันนัอันนั้นก็คือการคือการหนีคือการหลบจากพยายามไอ้ไอ้เรื่องคิดเรื่องทุกข์เรื่องนั้นเนี่ยใช้เลยเพราะสังเกตไหมล่ะบางคนใช้อย่างนี้จริง ๆ, ๆทุกข์มขั่งกุ้มมากๆเขาเขาไม่ใช้พาลาหรอกเขาใช้เข้าวทําเอเพราะว่าพาลาต่างจากเข้าวทํานะคุณฟังดูให้ดีนะอาจารมาจะพูดความแตกต่าง คุณใช้พาราเนี่ยพารามันแก้ปวดหัวใช่ไหมเออมันเป็นสารมันเป็นสารที่อาจจะไปใช้บังคับประสาทหรือว่าไปกล่อมประสาทไปอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะคุณไม่ได้ใช้สมองคุณช่วยแต่ประการใดเลยนะใช้แตจลิตยาเข้าไปช่วยกล่อมประสาทแต่คุณจะไปลหลับก็ตามหรือคุณจะไปนั่งเจโตเลยนะเลิกคิดอะไรหมดในโลกนี้เหลือแต่ความว่างเปล่าเพียงอันเดียว นะคือไม่คิดไม่ใส่ใจเรื่องเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยคุณตัดรอบหมดเลยแต่จริงๆแล้วคุณยังต้องใช้พลังจิตคุณบังคับใช่ไหมคุณจะต้องใช้พลังจิตคุณบังคับนะคุณไม่ใช่ใช้สารเคมีใช้ยาอะไรเข้าไปบังคับนะเพราะฉะนั้นลือสีนี่ก็ยังดีกว่าพวกใช้กินยาเพราะพวกกินยานั้นสะกดอะไรไม่ได้เลยอะแต่ลือสีนี่ยังสะกดจิตของตัวเองคือ คือใช้พลังจิตของตนเองเนี่ยเป็นพาลาเซปต์มอนน ะ, นะที่จะแบบว่าอื ม, มันเทาลงไปนะกดคมลงไปอันนี้อันนี้เนี่ยทั่วไปใช้อันนี้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นอันเนี้ถึงได้เป็นข้อที่สามในห้าข้อมันเป็นข้อกลางๆที่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้เยอะนะกับวิธีที่หนึ่งเนี่ยวิธีที่หนึ่งเนี่ยพวกสายสายอะไรอ่ะพวกสายปัญญา ปัญญาแบบโลกีฟังดูนะพวกพวกนักคิดพวกสายปัญญาแบบโลกีเนี่ยจะใช้วิธีที่หนึ่งนะมากคือใช้วิธีอย่างอื่นมากบเกื่อนไปดูหนังไปฟังเพลงไปอะไรอ่างๆเพื่อที่จะเอาเข้ามาแทนไอ้ที่ตัวเองทุกๆ ก, ก, กุ้มกุมพราะว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยพวกสายปัญญาจากโลกีใช้อันนี้เยอะแต่ส่วนวิธีที่สามนี่คือพวกเจโตแบบดูสีเนี่ยใช้เนี่ยเนยให้คุณสังเกต พวกเจโตแบบฤาษีจะใช้อันนี้มากเลยเข้าป่าไปเลยเข้าเข้าเขาเข้าถ้ า, า, าหรือว่าไปที่ไหนอะที่มันไม่ต้องมีผู้คนไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครเนี่ยสายเจโตแบบฤาษีจะใช้อันนี้วันคุณดูนะให้คุณสังเกตนะวิธีการแต่ส่วนดูนะวิธีแรกก็เป็นแบบแบบสายปัญญาแบบแบบปุถุชนแบบโลกีทั่วๆไป นะแต่มันใช้ได้ไงก็ทําให้คลายกังวลไปได้แต่มันชั่วคราวเท่านั้นเองไม่จริงแต่พอวิธีที่สองเป็นแบบวิปัสนาเพราะว่าพิจารณาแล้วก็ดับทุกพยายามพิจารณาดับทุกแม้ว่าจะยังไม่ได้ไปอะไรอ่ะสาวถึงเหตุก็ตามแต่เห็นปลายเหตุวิธีที่สองนี่เห็นปลายเหตุว่าทุกจริงจริงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยอก็ต้องดับทุกที่ปลายเหตุให้ได้เพราะปลายเหตุนี่โอโ้โหจะเอาเราตายแล้วนี่เนี่ย นะเอาเรากุ้มจังเลยเนี่ยกินก็ไม่ลงนอนก็ไม่ได้เพราะนนั้นโอ้แล้วจะคิดทำไมเรื่องนี้ยังไงก็ยังเป็นวิปัสนาได้ขนาดหนึ่งนะยังเข้าเข้ากระแสะพุทธได้วิธีที่สองแต่พอวิธีที่สามเอาอีกแล้วพระเจ้ามาใช้แบบฤาษีอีกแล้วพอตอนนั้นวิธีนี้โอ้อาตมาถึงบอกถนัดนะส่วนใหญ่ถนัดยิ่งเป็นสายแบบ แบบเนี่ยที่เข้าไปนั่งทําสมาธิไปอะไรทั่วๆไปโอ๊ยถนัดมากเลยเพราะจริงๆคุณจะไปโคเอนกาคุณจะไปที่ไหนนี่ใช้วิธีนี้เกือบทั้งนั้นตัดรอบเลยอะไรอะไรก็จับคุณไปอยู่ในห้องไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องอะไรกับใครทั้งนั้นเน่ะให้คุณไปนั่งอยู่คนเดียวเลยนั่นก็คือตัดผัสสะอะไรต่ออะไรทิ้งไปหมดไม่ใส่ใจไม่ต้องไปสนใจอะไรใครทั้งสิน้นเนี่ยคือวิธีที่สนะามน่ะมังกรเข้าทาแต่อันนั้น โกเองกล้าเขาบังกรเข้าห้องเขาจับไปเข้าห้องเล็กๆใช่ไหมแคบๆหน่อยอะ่ะแล้วก็ไปนั่งจำอยู่แค่นั้นแหละเอออาตมาก็ไปรู้นะว่าเขาให้นั่งเขาให้นั่งใช่ไหมห้ามนอนใช่ไหมอ๋อมีเวลาให้นอนด้วยเหรอเออนั่นแหละคุณเข้าถ้ำแล้วนะคุณเมื่อยคุณก็นอนเอานอนคุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรที่เออไม่ต้องคิดอะไ ร, ไะไรปล่อยเลยปล่อยหัวสมองให้มันออกไปให้หมดเลย นั่นอาตมาบางทีวิธีสามเนี่ยบางทีอาตมาก็ใช้ใช้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะบางทีโอ้โหมันไม่ไหวไมันจะคิดอะไรอีกอมันยุ่งเยิง่งปวดหัวช่างหัวมัน <c ười> ปล่อยหมดเลยอาตมาชอบบางทีอ่ะถ้านอนนะถ้านอนก็ให้คิดแบบโอ้ยกูตายแล้วตอนนี้กูตายแล้ว <c ười> คือให้นึกเหมืนอนกันว่าเราตายไปแล้วคือคนตายแล้วเราเราก็คิดแบบว่าคนตายแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วช่างหัวมัน อย่างเงี้บางทีอ่ะอาตมาก็ใช้จริงจริงบางทีนะ่ตอนนอนบางทีมันโอ้แม่แต่ป่วยเนี่ยบางครั้งป่วยป่วยมึนหัวมืนมึนมื น, มนพะป่วยนะไม่ใช่มึนเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรมาทําให้เรามืนมึนพ่อป่วยก็ตามบางทีเนี่ยไปนอนเสร็จแล้วก็ให้นึกบางทีอ่ะอัตมาก็ใช้อย่างเงี้ยเออเอาเหมือนกับเราตายไปแล้วก็แล้วกัวกนก็พอตายแล้วก็เอา้าตายแล้วกําลังคิดอะไรทีตายแล้วจะคิดอะไรอีกอ่ะ มันก็ตายแล้วมันก็นู่นใช่ไหมก็เอาไปทิ้งเอาไปปังเอาไปเผาอะไรก็แล้วแต่แล้วสิหน้าบางทีก็ใช้อย่างเงี้ยคิดรู้สึกว่าเออหลับสบายดีนะหรือว่าบางทีมันก็ได้พักไปต้องปล่อยแต่มาใช้เนี่ยบางทีก็คิดเหมือนกับเราตายแล้วนะหรือบางทีก็ใช้แบบว่าเนี่ยโลกคือความว่างเปล่าามันจะชอบใช้อันนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นคําที่พระเจ้าท่านใช้สอนอยู่ว่าโลกนี้คือความว่างเปล่า ไม่มีอะไรจริงๆบางทีเนี่ยเอาเวลามานั่งเนี่ยนะบางทีมานั่งเจโตสมาธิอาตมาไม่ได้ใช้กรสิสลมหายใจไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะบางทีบางทีใช้กระสี น, นันนี้คือความว่างเปล่าคือไม่ต้องจับลมหายใจไม่ต้องไปอะไรอ่ะแสงสว่างไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเอาสติของเรามาอยู่ว่าเนี่ยมันมีแต่ความว่างเพียงอย่างเดียวเคยใช้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะพวกคุณเคยใช้บ้างแมมเคยไหม เปล่าๆคุณก็ต้องใช้มันต้องใช้กําลังจิตสะกดเหมือนกันนะบอกแล้วว่าคุณไม่ใช้ใชพารานะตอนนี้คุณใช้จิตคุณสะกดจิตของคุณนะสมถะเนี่ยใช้จิตสะกดจิตเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกําหนดให้ได้ที่ว่าเออมันว่างเปล่าว่างปล่าบางทีอาจมาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยสมมตินะนั่งอยู่บางทีไล่จากหัวเนี่ยบอกว่าเออเอาขั้นแรกสุดเอาหัวให้ว่างๆก่อนคือมันจะคิดอนุนเฉลี่ยนี่เราตัดออกบอกตัดออกหมด มันจะมาแล้วก็เอ้ยไม่เอาไม่เอาไล่ออกหมดตอนนี้บ้านนี้มีแต่ความว่างเปล่านะนั่นแหละอะไรจะเข้ามาแวบจะเข้ามาเราก็ไล่ออกหมดไล่หมดนะบ้านนี้ไม่ต้องเหลือใครอยู่แล้วมันมันมันก็พออะไรจะเข้ามาก็ไล่ออกอะไรจะเข้ามาไล่ออกทั้งที่เราตื่นอยู่นะเพราะว่าคนเรานี้นยถ้าตอนทุกตอนห่วงตอนกังวลอยู่คุณไม่หลับอยู่แล้วคุณหลับยากคุณหลับไม่ลง จนบางคนเนี่ยต้องใช้ยาใช่ไหมที่จะมาทําให้มันมันหลับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าแม้พอกําหนดความว่างเปล่าแล้วเดี๋ยวคุณก็จะหลับไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นมันมีแต่เราเอาความว่างเปล่าเนี่ยเอามาใช้สู้กับไอ้ความวุ่นวายที่มันเกิดในสมองเราแต่บอกแล้วต้องใช้กําลังของจิตที่จะสะกดเหมือนกันเพราะงั้นพอเรื่องอื่นเนี่ยเราไล่ทิ้งหมดอันนี้ต่างต่างจากมังกรย้ายหัวนะ บางกรณ์ย้หัวเราเอาเรื่องอื่นเข้ามาชนแทนถูกอ่าแต่อันนี้ไม่เลยอันนี้ไม่ต้องเอาอะไรอื่นเข้ามาแทนเลยมีแต่ศูนย์เพียงอย่างเดียวอไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาแทนแต่ของเก่าหรืออะไรที่ขึ้นมานี่เอาออกให้หมดเอาออกให้หมดไม่ต้องเอาของใหม่เข้ามานะเพราะนั้นอันนี้เป็นวิธีที่สามที่พระเจ้าท่านถึงได้เปรียบไว้เหมือนกับว่าเปรียบไว้เหมือนกับว่าเราเราต้องหลับ ถ้าเราถ้าเราไม่อยากเห็นอะไรเราก็หลับตาเลยดือด้อเลยใช้วิธีนี้เลยอันนี้วิธีที่สี่วิธีที่สี่นะผู้เจ้าท่านบอกว่าถ้าสามวิธีต้นแล้วใช้ไม่สาเร็จวิธีที่สี่ก็จะตามมา อ, อันมาใช้มังกรอ่านใจนะมังกรอ่านใจอ่านใจแคอ่อ่านใจเราเอง แต่ถ้าไม่นึกไม่ใส่ใจความวิตกร้อนใจนั้นแล้วความวิตกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วนั้นก็เกิดขึ้นเรื่อยๆก็ควรกําหนดลักษณะแห่งความวิตกร้อนใจกําหนดความปรุงแต่งของความวิตกร้อนใจนั้นเมื่อกําหนดเช่นนี้นะความวิตกร้อนใจนั้นอันเป็นบาปชั่วนั้นะก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นะตกประเด็นนี้พระพุทธเจ้าท่านใช้อย่างนี้ ท่านบอกว่าเรากำหนดความว่างเปล่าก็ไม่สำเร็จอีกนะจิตมันก็ยังขึ้นมาอีกไ อ, ไ อ, ไอความห่วงความกระวลยังขึ้นมาอีกเพราะนั้นท่าน ใ, ใช้กำหนดลักษณะคำว่ากำหนดลักษณะเนี่ยก็ให้เรารู้ว่าว่ามันเป็นยังไงรูปร่างของไ อ, ไอความวิตกร้อนใจเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะมันมีอะไรเป็นพ่อแม่มีอะไรเป็นลูกหลาน คือต้องรู้ลักษณะมันมันมีตาหูจมูกแขนขาอย่างไงคือคือต้องรู้ลักษณะพูดง่ายๆว่าคุณต้องรู้เทือกเท้าเหล่ากออะไรของไอ้ความพิจกร้อนใจนี้เพรา ะ, ะนั้นข้อที่สี่เนี่ยที่อาตมาตั้งชื่อว่ามังกรอ่านใจก็หมายถึงว่าเอาละไม่พ้นละคราวนี้พูดง่ายจะให้เลิกคิดมันก็ไม่ยอมเลิกคิดอีกมันก็ยังเข้ามาอีก ให้คิดว่ามันเป็นความว่างเปล่ามันก็ไม่ยอมว่างเปล่าสัทีเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นก็ไหนๆต้องคิดแล้วก็คิดมันเลยคิดมันจริงๆเลยคนนี้คิดมันเลยมันมีต้นเหตุจากอะไรไอ้ความพิดตกเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากอะไรบ้างอ่านะนะมันเพราะใครเพราะไอ้คนนู้นเพราะไอ้คนนี้เพราะใครยังไงมามันสุขมันทุกยังไงมันอะไรอ่ะมันได้มันเสียยังไง คุ้มหรือไม่คุ้มพิจารณามาให้หมดเลยเนี่ยกำหนดลักษณะอาการโทษภัยหรืออะไรต่างๆมันพูดง่ายๆว่าคิดมันทุกอย่างเลยคนนี้นะอ่านใจตัวเราเองเนี่ยให้มันรู้ให้ละเอียดละ อ, อเลยท่านก็เลยเปรียบอย่างนี้ท่านบอกเหมือนกับเหมือนกับบุรุษผู้ดเดินเร็วพึงมีความคิดว่าเราจะเดินเร็วทาไมหนอถ้าถ้าใครเราพึงค่อยๆเดิน เขาจริงค่อยๆเดินนะก็เอ๊จะเดินเร็วไปทําไมก็เดินช้าๆลงก็ได้เดินเร็วก็เหนื่อยเปล่าๆก็เดินช้าลงก็ได้มัก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยอืมเนี่ยก็พิจารณาเลยรู้ว่าว่าเอาจะเดินไปทําไมนะเดินช้าลงก็ได้หรือจะเดินไปไหนเอ้าก็เดินไปไหนเดี๋ยวมาเอ้ามันก็ต้องถึงอ่ะใช่ไหมเดินเร็วก็ถึงเดินช้าก็ถึงอ่อเดี๋ยวเราก็ ไม่เห็นต้องเร็วก็ได้เราก็ช้าลงบ้างก็ได้ไม่ค่อยเหนื่อยกับจะทนได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พ อ, อคิดไปเนี่ยพิจารณาคิดไปจนกระทั่งเราเออเห็นความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแล้วบอกว่าแล้วก็มีความคิดว่าเราค่อยๆเดินไปทําไมหนอถ้ากอะไรเราควรยืนเขาจึงยืนเออเอ๊ะทําไม้จะต้องไปเดินให้มัน เมื่อให้มันทุกให้มันกุ้มอะไรแกจริงๆเรายืนอยู่ก็ได้นี่ไม่เห็นต้องเดินไปเลยยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นไม่เห็นต้องไปถึงโรงหนังเลยอ <c oughs> ไม่เห็นจะต้องไปนั่งใกล้ๆจอเลยนั่งห่างจอหน่อยก็เห็นเหมือนกันเนี่ยเออเราก็ยืนอยู่เอไม่ต้องเข้าไปนั่งหน้าจอหรอกเพิอเพอจะโดนถุงน้ำแข็งอีก น, <c oughs> นะก็เลยหยุดอย่างเงี้ยหรือเนี่ยแล้วมีความคิดว่าเราจะยืนทําไมหนอ ถ้าอะไรเราควรนั่งเขาจึงนั่งคือรู้ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปทำอะไรถึงขนาดนั้นน่จะจริงจริงแค่นี้ก็กได้นี่มันก็มีผลเหมือนกัน อ, ะอ่ะแล้วก็มีความคิดว่าเราจะนั่งทำไมหนอถ้าอะไรเราควรนอนเขาพึงลงนอนรู้สึกอันหลังสุดนี่จะใช้กันเยอะไม่ไม่ยืนนะไม่มานั่งนะนะ ึกเราจะทําทําไมหนอเพราะฉนั้นเราไปนอนเลยดีกว่าส่วนใหญ่นะรู้สึกจะข้ามขั้นตอนเร็วบุรุษนั้นมาผ่อนทิ้งอาการหยาบหยาบไปเสียพึงสําเร็จอาการอันละเอียดขึ้นมันนี่คือเป้าที่พรธเจ้าท่านเปรียบเทียบอันเนี้ยคือไอ้ที่หยาบหยาบอะนะทําไมจ ะ, จ ะ, จ, ะจะต้องไปหยาบหยาบอย่างนั้นเนี่ยคือเห็นกําหนดพิจารณาแล้วเห็นเลยว่าเออ เราไปทุกข์เราไปห่วงกังวลเราไปอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นอาการที่มันหยาบมันหยาบทุกข์เนี่ยเราอยากทุกข์เหรอเฮ้ hey, ไม่เห็นใจจังไปทุกข์ไปร้อนอะไรนี่ลักษณะพวกที่มันหยาบมันทําให้เราเดือเดเนื้อร้อนใจอะไรต่าง ๆ, ๆนะจริงๆแล้วความสงบความนิ่งความสุขความปิติอะไรพวกนี้เออนี่มันเป็นอาการที่มันละเอียดกว่ามันดีกว่าใช่ไหมเพราะเราก็เลยจะได้ผ่อนลงมาผ่อนลงมาผ่อนลงม า, งมาจะได้ไม่ ไม่ไปตึงบางทีเนี่ยเอา้าจะต้องให้สมใจเราอย่างนี้เหรอดูสิบอกให้ใส่น้ำตาลสองช้อนใส่มาช้อนเดียวไม่ไม่สมใจไม่ถูกใจเอาแล้วทําไมจะต้องไปทุกกับไอ้น้ำตาลสองช้อน่ช้อนเดียวไม่ได้เลยช้อนเดียวมันยังหวานอยู่นั่นเนี่ยเอช้อนเดียวก็ยังได้ก็ก็ไอ้มันไม่พอเนี่ยไอหวานไม่พอเนี่ยมันถึงได้ทุกข์อยู่เนี่ย อเอ๊ะมันก็ลดได้นี่จริงๆแล้วก็เหลือท้อนเดียวเราก็ก็ได้นี่แล้วก็สบายขึ้นด้วยจะได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอ้วนเออไม่ต้องไปห่วงเรื่องเบาหวานไม่ต้องไปห่วงเรื่องติดหวานอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมันพิจารณาแล้วมันเห็นอย่างนี้ได้มันถึงจะเออลดลงมามันจะยอมลดลงมาลดลงมาเรื่อยนะเอ้าว น, นี้อันนั้นเป็นอันข้อที่สี่แต่พอใช้ข้อที่สี่แล้วไม่สําเร็จงั้นข้อสุดท้ายอันนี้ อ่านแต่มายังไม่บอกว่าตั้งชื่อว่ามังกรเลยแต่เดี๋ยวให้พวกเราลองลองเดานะสรุปก็คือว่าเนี่ยถ้ากําหนดลักษณะและความปรุงแต่งของเรื่องบิตกทุกร้อนนั้นแล้วเนี่ยความบิตกทุกร้อนนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคือกําหนดก็แล้วพิจารณาก็แล้วนะว่าควรจะปรุงแต่งอย่างนี้ไม่ควรปรุงแต่งอย่างนี้ไม่สําเร็จนะพผู้จ้าท่านก็บอกว่าครั้งนี้ พึงกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับจิต ด, ด้วยจิตเมื่อบังคับเช่นนี้อยู่ความมิตกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้นะท่านเปรียบเหมือนกับบุรุษผู้มีกําลังมากจับบุรุษผู้มีกําลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเค้นที่ศรีรษะคอและก้านคอเอาไว้ให้แน่นพูดง่ายว่า วิธีสุดท้ายนี่มาสมาธิกันนะกลับมาสมาธิแล้วเพราะว่าวิธีที่สีนี่มันก็พิจารณาอะไรต่ออะไรแม้แทบจะหมดเกี้ยงแล้วล่ะไม่เหลืออะไรให้คุณพิจารณาแล้วอันนี้อาจจะมาพูดกับพวกเราบ่อยว่าโดยเฉพาะบางทีพวกเราเนี่ยฟังทำมา ก, กันเยอะเหตุผลก็มากนะเป็นทั้งนักพรตเป็นทั้ง อ, อ, อ, อ, อ, อุบาสิ ก, กามากเหตุผล เป็นันักโพสมากเหตุผลอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วมันรู้เยอะนะแต่แก้ปัญหาไม่ไม่สำเร็จแก้ไม่ได้บางทีทะเลาะกันเถียงกันบางทีโอ้โหพูดจาอะไรก็หนักโดนรุนแรงอะไรต่ออะไรนี่แหละรู้มากก็จริงเหตุผลเยอะก็จริงแต่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะในที่สุดคราวนี้ก็เลยเอาเลยเอาลิ้นดันเพดานคมบีบคั้นบังคับจิตพูดง่ายบังคับจิตเลย ก็เหตุผลอะไรอย่างต่างนานารู้มาหมดเกลี้ยงแล้วอะแล้วทําไมยังเลิกไม่ได้ทักทีไอไอไออันเนี้ยไอเรื่องเนี้ยทำไมเลิกไม่ได้ทักทีเหตุผลรู้หมดแล้วฟังเทศก็ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ทําไมยังเลิกอันนี้ไม่ได้ก็เหลืออยู่แต่แค่คุณไม่ยอมบังคับจิตคุณจริงๆหรือสำนวนที่พอ่ออาจารใช้ก็ใช้กาเอาจริงเอาจริงต้องเอาจริงถ้าไม่เอาจริงแล้วมันมันผ่านด่านนี้ไม่ได้คุณมีความรู้ก็จริง แต่คุณไม่เอาจริงคุณก็ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้นี่อมาตั้งชื่อว่ามัางกรดับเครื่องชนไม่มีทางอื่นแล้วอา่าจะเป็นอย่างของพ่อท่านก็นบอกว่าอะไรนะล็อกปวงมาลัยเหยียบคันเร่งอา่านั่นแหละเหยียบคันเร่งเลยพุ่งใส่เลยพ่อรู้หมดแล้วนี่จะเหลืออะไรล่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเรา พอมันจะมาถึงอันที่ห้าเลยนะส่วนใหญ่มันไปหมดอันอื่นเมื่ก่อนเนะมันมาไม่ถึงอันที่ห้าสักทีจริงๆถ้าเราใช้อะไรๆมาเนี่ยนะวิธีที่สองวิธีที่สี่ถ้าคุณใช้เนี่ยมันมันน่าจะจบได้แล้วแต่ที่มันยังจบไม่ลงเนี่ยพ่อบอกแล้วว่าเราเนี่ยยังเสียใจกิเลสเรายังห่วงกิเลสเรายังติดสบายอะไรต่างๆนี่ก็เลยทําให้เราก็เลยไม่ยอมดับเครื่องชน วพรถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยวิธีการเหล่าเนี้ยมันจะช่วยดับทุกข์ช่วยแก้ทุกข์ช่วยความห่วงกังวลวิตกทุกร้อนใจแรงต่างถึงจะทําได้นะคุณจำไว้คุณพยายามไปนั่งท่องแล้วก็เอาไปใช้อะไรในชีวิตได้เอาไปใช้ห้าข้อนี้พยายามนะแต่ว่าอย่าไปใช้แต่สมถะเอาวิปัสสนามาใช้ข้อที่สองกับข้อที่4พยายามเอามาใช้มากๆถ้าคุณใช้ข้อหนึ่งข้อสาม ข้อห้ามากๆอ้โหจริงคุณคุณเบาบางลงในความทุกข์ร้อนนั้นแต่มันชัววช่ววูบชั่วว่าเดี๋ยวคุณก็เป็นอีกคุณก็เป็นอีกแต่ถ้าคุณใช้ข้อสองกับข้อสี่ให้มากขึ้นแล้วโอกาสเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอะไรอะ่ะมันใช้ปัญญานั่นเองพิจารณาแล้วก็ดับเนี่ยมันจะดับได้ถึงร่างเนา่าแล้วจะทาให้เราเนี่ยพนทุกข์ร้องจริงๆเลยอะอ่ะ วันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้